แค่นม้วนฟัมันก่อนเลยเจ้าของเลยคันฟันไปเรื่อยคืออยากให้รู้เห็นนี่นะแหมมันสดๆร้อนๆในแค่น่ะทำมาพระเจ้าหน่ยไม่จะอยู่ไกลเลยอยู่ที่หัวใจนี่น่ะเปิดออกไปออกไปจว่างันเหมือนกับน้าที่ใสสะอาดเต็มที่นี่นะเปิดออกพอออกไปจากว่างันเหมือนกับน้ำที่อาู่น็ี่น่นะเปิดออกออกปาก่างันมนันที่าเมน่ะเปิดออกพีออา่างนเหมันันี่ะอามท่นี่นะเปิดออกพอออกไปจ่นเหมนัน้ำทม่ใสสะอาต็มที่น่นะดออกพอออกไปาก่างนอนก้่ใสสะอนตน่ะเปิอกพออ นี่อยู่ใต้กิเลสนี่ยนะควานมนความันออกพอนมันออกขุดมันออกโกยมันออกว่ามันเลยสำคัญกิเลสมันมาเป็นเนื้อเป็นหนังเราทัหมดนี่เลยมันลําบากนี่ีิกิเลสมันสังมันจมอยู่หมดทั้งเนื้อทั้งหนังหมดทั้งหัวใจลอะไรจะเข้าไปทําลายกิเลสเข้าไปทําลายตรงไหนมันมันมันกระโดนเราโดนเรากลัวคืออยากให้กิเลสตายมันกลัวเราตายเลยไม่เลยเหลืองนี่สิเพราะมันสังหมด แต่ฆ่าีิเลสก็เท่ากับจะฆ่าเราเลยจะเชื่อถือีิเลสก็เท่ากับจะเชื่อฉือเราเลยมันก็ไม่กล้าจะเชื่อฉือสุดท้ายภายกิเลสอยู่บนหัวนั้นเสียขี่รถลงมานั้นเสียเห็นนี้อยากไหวงั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงอยูในระยะที่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นจมันหมดในตัวของเราเหมือนกับว่าแตะตรงไหนก็กลัวจะของจะตายก็คือกลัวกิเลจะตายทัดเองสุดท้ายก็ผิวก็ไม่ถลอก โบ้แล้วทีนี้เวลามันโกนข้ามนะมันถึงขั้นจ่มันกกนข้ามแล้วอะอะไรจะพังก็ให้พังไปแน่ที่สุดจิตมันจะมันจะดัดไปพร้อมกับความเพียรฟาดมันลงไปนี่มันจะชิบหายกับกีเลก็ให้มันชิบหายหน่อนบ้เวลามันสลักเห็นไหมล่ะอะมันไม่ได้หวงเวลามันหวงก็หวงอย่างว่านี่นะอะไรเราก็เป็นเป็นกิเลดมันเต็มตัวแล้วจะแตะที่ตรงไหนก็กลัวจะกลัวจะของจะตายคข้อยิงก็คือกลัวจะกิเลสจะตายนั่นสิ่งนั่นพอถึงขั้นมัน มันจะมันจะเอากันจริงๆแล้วมันก็เป็นที่ว่านะเอาอะไรจะไม่มีอะไรเหลือเลยอ้าวเห็นมันรู้นั่ะมิจฉาอาวเนี่ยหมายคำว่าเด็ดเต็มที่เลยอะไรจะขีดหายลงไปแม่ที่สุดความรู้ที่มันว่าเด่นๆอยู่นี้แหละมันจะพังไปกับทีเด็ไม่มีอะไรเหลือมันจะเป็นหัวต่อกันมันรู้มันรู้โน่นอ่ะเพราะถมันถึงมันถึงพังได้ที่เด็ดถ้าดงได้ถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรไว้แล้วจะสมหวนอะไรไว้ไม่ได้สมหวนตรงไหนก็สมหวนที่เด็ดตรงนั้นน่ะ เมื่อถึงขั้นม inin, CA, day, laid, ันปล่อยมันต้องปล่อยให้งหมดถึงขั้นทำลายทำลายให้หมดเลยถึงไม่มีอะไรเหลือแล้วสิ่งที่ทำลายไม่ได้มันก็บอกตัวเองใจจะทำลายมันได้อย่างไรเพราะเป็นเป็นหลักธรรมชาติเป็นของแท้ที่เดียกเป็นของแฝงเป็นสิ่งที่แฝงเหมือนกาฝากมันก็ทำลายได้หรอกพี่นะนี่ก็ไม่กี่วันนีผมก็จะได้ลงบางเทศแล้วนี่มันก็เป็นห่วงมุ่งห่วงเพื่อน เวลาผมไม่อยู่ก็ให้เชื่อว่าทำอยู่หัวใจของตัวเองนะได้สอนเสมอเรื่องเหล่านี้อย่าให้มีเรื่องที่ที่ได้เห็นมาเหล่านี้นะมันเบื่อจะตายทุเรศจริงๆนะให้มิเดชีดมาขี้รถหัวอยู่อย่างแม่อายนะความหึหวงที่เดชความทิฏฐิมานะมันเรื่องของที่เดชทั้งมลวลเสียดายมันอะไร ตาก็มีลักษณะแปลกๆอยูทางทางวันนี้เลยยอดยาสี่ขนไดเนี่ยจะห้าตอนกลับไปนี่มันมีอะไรนี่ๆอย่างนี้ยทางทางซ้ายนี่ก็เลยยอดอีกนี่จะยอดห้าขนนะมันคงไม่คงไม่ผิดหรละมั้งก็ยอดให้มันหายพี่ยอดสี่ขนก็เพื่อให้มันหายนี่นะยอดห้าขนมันเป็นยไงมันคงไม่เลยเถอดเพียงห้าขนพรามันมีอะไรนี่ๆอยนี้อยู่ตรงนี้ ทั้งนี้ม่ปรากฏเลยนี่มีนี่ตอนจะมานี่กำลัหยออ่อยครับเป็นสี่คนนะกลับไปนี่ไปจะหยอดเรืเ่องเขียนประกาศป ร, กประกาศอะไรที่ให้เขาว่าบอกนั่นให้เขามาบอกให้าา ก, ก่อ น, น, นเราคิดหมดด้านั้นเรื่อง น, นี้อยากมาแซงนะเอมันจะมาแซงหน้าเรานะเขียนอะไรมาเมือ่อเานเนี่ยจะไปติดที่ตรงไหนมันเก่งที่ตรงไหนนี่ใครละมันเก่ง มันเขียนมาแล้วนี่มหอูชายเนี่ยไม่เก่งไปเขียนมาแล้ว ห, ลหรือต้องคุ้ายก่อนดูนี่นี่ไม่ดุสิ่งนี้เราคิดมาหมดแล้วรายได้รายเสียผลบวกผลลบเราคิดมาพร้อมหมดแล้วใครมาอะไรนี้ เ, เ, เขามาหามาหานี่มาหาภาพผมไม่ได้ไว้ใจพระนะหนักเข้าไปทางนั้นชนหน้ามีแต่ผู้หญิงจะเป็นใครไปถ้าไม่ใช่ผู้หญิงผมไม่อยากให้มายุ่งมาก็มองเห็นแล้วเขาจะมาก็มาเขาที่เขาเข้ากับเขาแล้วทางเขาอ่ะ เพองเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัด ร, ระวังมากผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายแค่กงข้ามก็ทราบกันอยู่แล้วนี่ฟังไงมาเราเห็นก็ควรที่จะเข้าไปเข้าไปเลยจีไม่ไม่รู้ไม่รู้มันจะอดตายถ้ามันรู้ก็าิีจ ะ, ะวัดต่มันตายนี่พาคนอดตาย ใ, ใครมาก็ไม่ต้องมาบอกเที่ยถิ่นเด้๋ยวก่อนมาบอกเที่ยถิ่นเด้๋ยวก่อนเอ้แล้วจะเป็นเรื่องวุ่นกันอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ทางดีงนี่นะแล้วคิดหมด่ มันจึงง่ายทำพอการปฏิบัติมาเท่าที่ปฏิบัติมาอยู่แล้วนี่มันบกพร่องที่อยู่ไหนมันไม่เห็นบกพร่องเนเราคิดอยู่แล้วถ้าบกพร่องเราจะแก้ไขต่างตัวอยู่เพราเราคิดเต็มหัวใจแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยเรจริงไม่ไม่ทำไมต่ติดติดทำไมประกาศทำอะไรก็ เ, รเคยรู้เคยเห็นอยู่แล้วใครเข้าใครออกบอกด้วยบอก เ, ออกเขากเคยปฏิบัติอยู่แล้ว ลายไม่ไม่บอกกับชจาง่ายดิอย่างเขาที่เคยมาแล้วเขาก็ไม่บอกเขามาเขาก็เข้าเขาเข้าดิมีแล้วก็กินกันไปก่อนแล้วกันเท่านั้นเองยากอะไรแต่สมมุติว่าขาดะระบบท่องอาหารเพราะไม่รู้เนี่ยมันจะไปพ่อเป็นอะไรไปใครมาต้องมาบอกใคามาต้องมาบอกฮนะยุ่งตูงน มันนี้มากนะแข่ก็มากเนเกือบทั้งวันเลยล้านผมก็ไม่ได้พั ก, ว, นนพกวันนี้ไม่ได้พักเลยล้นนี้ไม่ได้พักตะโกนว่าไม่ได้นอนพักเลยเพราะเพมันร้อนด้วยแล้วแขกมาไม่ค่อยขาดเลย ทำดีเป็นยังไงไปเห็นมาตันทีถิ่นอะจากสร้างวัดป่าลังตานี่เป็นยั้นงหมเป็บ้าตัวนี้บ้าสร้างไปไหนนี่เลสร้างนี่เป็นบ้าคนหนึ่งนันนี่ผมขนาดยิ่งเลยืยเพราะนั้นในีั้งแซงแซงยังไงนี่ทํำไมจริงไม่ไม่ไม่เห็นคุณค่าของคําพูดของการสอนอนี้ะทําดีนี่อยู่กับผมนานมาแล้วสิ่งเหล่านี้ผมเคยพูดเคยสอนมานานแสนนานทํำไมจริงมีเรื่องแซงแซงแซงอยู่น่ะมันยังไงกัน พูดนี่ก็แน่ใจว่ามีเหตุมีผลต้องทําไรเป็แสงแสบสร้างหาอะไรวุ่นหาอะไรตั้งแตใจมาสร้างให้เภานายเฉยไม่เห็นไม่เห็นได้เป็นท่าอะไรแล้วยิ่งสร้างนึงสงนี้มันยิ่งหาเก่าไปที่เมฆันแล้มันเป็นหมาชี่เลื่อนไปหมดวัดเลยพระเป็นห ม, น า, นมาที่เลื่อนมันดูได้มื่อไรหมาชี่เลื่อนมันยังพอดูได้ท่าเป็นหมาที่เลื่อนนี่งแผลหางไม่มีด้วย เกาไม่ยุดไม่ถอยยุ่งไปไหมเกาควนทั้งสิ่งวนนั่นกวนพอฉันเส็จแล้วพอมีางานั่นจะทํางานนี้จะทํา น, น, นี่ไปงั้นนะนี่ใส่ลงมันฝังเลยนะแล้วมันคิดที่นอกนี่ที่จะมาแก้ที่เด่นไม่ยอมจะแก่นี่เด่นไม่ให้แตะที่่างนี่จะหาเกาในที่ไม่คันพอให้แก้ราคาญไป ว, วันหนึ่งวันหนึ่ง แล้วความเพิ่มนำคานจนปัญญาเสด็จติดในการก่อสร้างออืวิเดศสังหารธรรมในเรื่องเหล่านี้ด้วยเรื่องเหล่านี้มันไม่เห็นชิดกันออืไหนว่าแค่ลาคาญจะ่ําคาญถ้าไม่ทํำลาคานได้ทําแล้วลามันแค่ลาคาญแล้วเวลาทําไปทําไปมันติดแล้วว่างไงออืนั่นมันลาคาญที่มันติดไม่ไทําอยู่ไม่ได้ วุ่นกปอยู่กับการกับงานไม่ได้ไม่ได้มาสนใจกับดูกิเลสตัวมันดิ้นดินตัวมันดิดดิดตัวมันพาเป็นหมาที่เรื่อ น, นแล้าจะทาานนําไรมาบวชมาภาวนาก็นี่ได้ผ่านมาแล้วนี่ไม่คุยนะไม่ทําวางนั้นเลยนี่ก็บจริงๆไม่ได้สร้างที่ไหนอะไรเลยนะตั้องจะออกปฏิบัติฟัดกับกิเลสมาตลอดแน่นตั้งใช่ไม่ได้สร้างอะไรไม่สนใจอะไร ตั้งตะวันออกอยู่ฟาดกับกิเลสตลอดเวลาเป็นตายเป็นตายเป็นตาเอาก็อยู่อย่างนั้นไม่ถอยจะมาไปหาทําที่ไหนทําอะไรไม่ได้ทํายเอาเลยในช่วงที่เป็นเอากันเป็นที่ตะลุมบอนกันอย่างใครดีใครอยู่มาเป็นเวลาเก้าปีเต็มๆไม่รู้ช่างอะไรนั่นอยู่แต่ในป่าในเขาอดอยากขาดแคลนทุกยากลำบากขนาดไหนก็เห็นใจอดทำกนันแล้ว สิ่่านี้ไม่เห็นเป็นของําพันหรหว่างกินเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยถ้าอยากจะกินกินให้ตายก็ได้เหมือนอย่างชูชกมันเป็นของอัศจรรย์อะไรมันมีเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยแต่ทำาซีมันเป็นของลำบากเป็นของหายยากเราต้องตะเกียบตะกายเพราะฉะนั้นจึงต้องตะเกียบตะกายเนี่ยเอาอย่างนั้นนะ ทั้งขืนตามกันอยู่ขนาดนั้นต่อยกันอยู่ขนาดนั้นมันยังเอาลงตกเวทีได้ไงว่างไรไหนจะปัญหายุ่งนั่นยุ่งนี่ไม่สนใจกับภาวนาเลยมันจะได้เรื่องอะไรใครจะว่าใครเต็งขนาดไหนก็ตามแต่ผมมี่พูดโกงๆเลยผมไม่ได้ยงใจกับใครหรอกอันมีแต่เกาแบบหมาที่้ด้วนเกาอย่าที่ไม่ขัดเอาตรงนี้คือเหมือนกันเลยเนี่ยเอาก็ มันขันมันยังเก่ามึงนั่นพวกขันกับเก่าเรีว่าไงไอ้มันคันนั่นหมันเก่านันไอ้พระกรรมฐานเราที่มันไม่คันี่มันมันมันไม่เก่านะที่ขันนะมันไปหาเก่าที่ไม่คันฮจะหมดจะหมดและนายวงกรรมฐานอืวัดหนึ่งวัดหนึ่งจะไม่มีทางยังกลมแล้วนะนี่แหละที่โสมทุเรศนะผมไปเที่ยวที่ไหนไปดูโอ้โหแล้วจะหมดนานจะหมดนาน ไปที่ไหนทันกรมจ่มีันวางอะไรตรงนี้เอาไปอันดูจิ้นั่นอ๋อมันได้กินอะไรอย่างนี้มั น, ม น, มนดูด้กลินมันแมวไปหนูตัวหมดูดี ค่อยกุดก็อยดวนเข้ามาผู้เลี้ยงวงกงรรมฐานทานยุงกรมผูม้เจดีใช่ป่ะเรงไม่มีทานยุกรมที่ทางนานของพระแล้วมันกระหมดเลยนะถ้ากรรมฐานนั่งภาวนานก็ไม่ทราบนั่งที่ตรงไหนหรือมีแต่นอนใครก็จะไปทราบได้ที่เดินยุกรมเมันเปิดเผยมันไม่มีเลยสามเณ ดูทนันโกมเหมือนกับว่าเสือไปอยู่นั้นได้ตั้งกับตั้งกันมันรกภมนลุงหลังไม่เห็นเตี้ยงเห็นเกาด้วยกันเดินเลยนี่ทำไงเหตุที่จะมาตักอยู่ตันทันโกมตลอดนี่ก็เพราะได้เห็นคุณค่าของความเพียรเนี่ยที่ค่าที่เดือดได้เพราะความเพียรนี่นะเพราะฉนั้นเราจึงพูดอยู่เสมอแล้วพระพุทธเจ้าข่านก็สอนอย่างนี้เองนะท่านสอนให้ไปหาสร้างด้วยหากเกาที่อยู่ไหน ให้ฟัดกห็หมอกิดเหตุต่งห่ะวิชาสอนแบบแผนตราต น, น, นามีอยู่นี่น่ะอ่านกันมาทําไมวิชาสอนให้แก้คิเลตท่านสอนแบบไหนน่ะแล้วเวลานี้เราเราแก้กันแบบไหนนี่พี่มันน่าคิดโอาเยอะเลยมันดื้อมันด้านมันไม่ได้ฟังอัดฟังธรรมของศาสดาเลยทั้งเรืงแต่ศาสดากิดเลตมันทําไง พ่อแม่ครูอาจารย์มีชีวิตยอยู่ท่านพายอยู่น้องผือแม่จะมีมากก็าตามนะพระเนินก็ต้องเดินยองกลมในป่าที่ใหนสัเพราะงานนี้ท่านผือเป็นงานสําคัญมากเรื่องแบเป็นอันหนึ่งเหมือนกันมันฝังใจเหมือนกันนะเรื่องความเพียร น, นี่รู้สึกว่าลึกมากทีเดียวมันถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นตายเข้าว่างริงๆมันไม่ได้จืดได้จางเลยนะ เพนเห็นเรื่องอะไรอะไรที่มันเป็นค่าสื่ต่อทางด้านจิตใจเกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนานี่มันถึงได้ว่ากันอยู่ตลอดนี่นะคือมันมันไม่คุ้นกับสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นเครื่องกังวลและเป็นภัยต่อกิจตภาวนาอยู่แล้วนี่นะอ่าตำํำราท่านก็บอกมันก็สอนไม่ใช่ไม่มีมีตำรากม็มีนันที่พูดตะกี้นี้พูดจะยอ่ยอยเฉ ย, ยนั่นน ะ, นะ่ะสอนมีใช่เรื่องเดินจงกมรมนั่งนั่งสมาธิเมือภาวนาถ้า พาทั้งหลายขัานพุตรการท่านท่างนั้นกันแล้ว น, นี่มันไม่ได้มีเลยสิไม่ว่ามันเป็นกงกข้ามเลยเป็นเรื่องเทวทัศน์ไปหมดทําลายตัวเองทําลายศาสนาทําลายวงประเพณีของศ า, ศาสนาไปแล้วเลยเป็นความนิยมนิยมอะไรออกิเลตมันพานิยมอะไรก็จะ้ะมันจูงจมูกขาดอย่างนั้นเหรอจิเลนิยมก็มีธรรมนิยมก็ธรรมนิยมก็มีมมฟังสิ อ่านเรียนมือคำตำรับตำลาไม่ได้เคลื่อนได้ขาดอะไรเลยอ่านแบบไหนก็เป็นแบบนั้นดิเหมือนพวกทีเจ้าประทับอยู่นี่ถ้าจะสนใจปฏิบตัติมันก็ได้ปฏิบัติมันโกรธก็ท่านนัดภาวนาดีเดินในกลมเต่งอยู่นะเอาอย่างนั้นแหละฟันลงไปใส่ผ้าขี้เกียจอยันนี้ได้อา่าน ผมเดินไปเรื่อยๆทั้งกลางคืนที่ผมไม่ค่อยจุดไฟแล้วผมเดินไปถ้าพอไม่จุดไฟผมไม่จุดผมไปงั้ผมเดินเรื่อยๆดีนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนตอนหนุ่มนื้อไปแทบทุกคืนนั่นไล่ไหนมันขี้เกียจจะข้านไปจ่อเรื่อยจ่อเรื่อยพอได้ที่แล้ ว, ลวไล่หนีเลยจากวัดเลยท่านตายสถานที่นี้ไม่ใช่โรงเนี้ยงหมูนะท่านจะมาอยู่ที่นี่นะวะไล่ไปเลยจริงๆเราไปดูชัดเจนเนี่บางคืนผมไม่นอนเลยก็มีไปดูพระองค์เดียวนั่นฮึ่ม เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอะไรแล้วมันก็ยังหนุ่มมานี่ละวัดป่าบรรทาดนี่แหละไล่หจริงเนี่ยต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราลืมเมื่อไหร่เราไล่พ้าขี้เกียจอ่าไม่ใช่ไปดูเพียงคืนเดียวถ้าไปไหนมาไหนมันลําบากลําบนมันเมื่อยมันเพียนี่ก็อัหนึ่งเราแยกมีสั่นมียาวยานะไม่ใช่แบบเดียวไม่ใช่เถืนตรงเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรเลยอ่าสองทุ่มรับก็คร อ, อกแล้ว สี่ทุ่มไปดูอีกเราครอบครอบห้าหกทุ่มไปดูอีกครอบครอบจนกระทั่งตีสามตีสี่ยังครอบครอบเนี่โอ้โหตายเนี่ใครจะมากุศลาตายแบบนี้นะวะมันกลัวจนกระทั่งพูดจะมากุศลาได้นี่วะว่าเอาอีกไปดูอีกจนชัดเจนโอหสสันตงใส่เอาแล้วจะไล่เลย กวัดนี้วัดภาวนานี่นะมันนอนต้มอยู่ทําไมขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแรทําไ ม, มวัดภาวนาถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตจริงๆเป็นงานเป็นการจริงๆเรื่องภาวนาอย่างอื่นผมไม่เห็นมีอะไรสําคัญนะเรื่องภาวนาเราถือจริงๆเป็นหัวใจจริงไม่ใช่ธรรมดานะมันหนักแน่นอยู่ในอันนั้นไม่ไม่ไ ม, ไม่ถอยออกมาเลยนะหัวใจนี่นะมันฝังอยู่ในเรื่องภาวนา เพราะอันนี้เองที่จะความพิเรยให้มันทังในหัวใจได้ปลุดพ้นจากกองทุกมหันตทุกทั้งหลายเนี่ยรตรงที่มันเอากันเอาตรงนี้นะะันนี้มันถึงฝังแล้วฝังเราฝังจริงๆนี่จิตใจเกี่ยวกับเรื่องด้านภาวนาเนี่ยเห็นทำนั้นสร้างนี้ยุงในวงปฏิบัตินี่ฮะไม่สร้างไปไงนะมันมันอิดน้าละอาใจมันอ่อนเปียก้งหมดคือมันคลายเรื่องอะไรอะไรมันไปหมดเลยนี่ เวลาลา้มคู่คู่คันเวลาตะเกียบตะกายเวลาฝืนกันมันฝืนจริงๆนะไม่ฝืนจริงไม่ได้เนี่ยเราก็เคยฝืนมาแล้วจะแนะนำเรื่องฝืนมาสอนหมู่เพื่อนนี่นะหากไม่เคยแล้วก็ไม่ได้ว่าหละแล้ว เ, เคยแล้วลบลุกคุก ค, คานจนบางทีนั่งหลับตาปิดปุบปุบิดน้ําน้ำตาพังก็มีผมนะ่ะแห ม, มันเชียดแค่ในกิเลยเอาเท่าไรมันมันก็เอาต่อหน้าเราเอาเอาเราต่อหน้ า, ต, นาต่อตาเนี่ยมันลากเราไปต่อหน้าต่อตาเนี่ย อ๋อนั่งหลับตาปิดๆแล้วก็น้ำน้ำตาร่วงโอ้โหเล่านี้มันไม่เป็นความจํานะมันเป็นสัจธรรมมันฝังลึกนะ่ะโอ้เขียดแค้นนี่ก็เขี้ยดแค้นนี่จริงๆเอายังไงก็ต้องมีวันหนึ่งกูจะเอามื <c oughs> อก็ดีอย่างหนึ่งนะ่ะมันเขียดแค้นแบบนี้มันเป็น ม, กนนะนะมนักหนึ่งแล้วจะฆ่ากิเลยเฮ้อมันไม่ใช่เขียดแค้นเป็นกิเลสนะแล้วมันฝังลึกอ้วยนะยังไงมีวันหนึ่งจนได้แล้กูจะเอามือกนะูจะได้เอาได้แนะ่นอนเพราะฉะนั้นเวลา มันมันได้แล้วมันถึงเอากันอย่างเต็มเหนียวอย่างที่ผมว่าว่านั่งสมาธิมันเสื่อมมันโอ้เกลียดแค้นจริงๆนะแล้วไม่ลืมเลยนี่ทําไมมันถึงถ้าเป็นโลกเขาเนี้ยอาฆาตพูดได้ว่าอาฆาตฆ่าคนที่พูดที่อาฆาตเราอาฆาตนั้น่ะมันมีกี่ศพจะเอาให้มันแหลกหมดเลยถึงขนาดนั้นนะไอ้ที่มันเครียดแค้นกิตเสื่อมไปมันทุกแสนทุกจริงๆนะผมไม่ลืมเลยนะแม่ ตั้งแต่ภาวนาไม่เปลี่ยนมันก็เห็นมีอะไรธรรมดาธรรมดานะก็เหมือนอย่างคนเขาหาเชา่าเิ็นเย็นเขาไม่เคยมีเงินแสนเงินล้านานี่นะเขาหาเชา่าเิ็นเย็นเขามีร้อยบาทสองร้อยบาทมีพันบาทเขาก็อยู่กินได้สบายสบายไอ้ผู้ที่มีเคยมีเงินเป็นล้านล้านแต่เป็นร่มจมก็เห็นได้เห็นหนึ่งเสียเนี่ยอันนี้เงินยังมีอยู่อีกเป็นแสนก็าตามมันก็ไม่มีความหมายแหละมันจะไปคิดถึงเงินเป็นล้านล้านที่ ที่ล่มจมไปนั่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกที่สุดแต่คนคนนั้นนะตาสีตาสาที่เขาหาชาจีเย็นเขาไม่ได้ทุกนะไอ้คนนั่นแ่ะคนที่เคยมีเงินเป็นล้านแต่ถูกล่มจมเชื่อเหตุได้หนึ่งนั่นแ่ะเป็นผู้ที่จะหาบกองทุกข์ที่สุดร้อนเป็นฝนนเป็ไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับคือผู้นั้นแหละเมื่อเทียบแล้วเป็นอย่างนั้นแ่ะเรื่องของสมาธิที่ที่มันเสื่อมไปนี่ไม่ผิดกัอะไรกับข้อเปรียบเทียบมันนี้เลยผมได้เป็นแล้วนี่นะ อก็<า>นี่ไอ้โทษแห่งความไม่รู้จักวิธีรักษานะนี่ฮะเวลามันแน่นปึงก็เห็นชัดๆในจิตนี่ไหมะสมาธินี่เก่งจริงนะแน่นปึงปึงแต่มันทํากดอยู่ยังไม่ถึงเดือนหน่อยนะมันมันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปเราเราไม่รู้นี่มันค่อยเสื่อมพอเข้าได้บ้างมาได้บ้างอ่าแปลกเราไหมวะแปลกแล้ว รีบเอา ก, กดมาร้อยน้ำอะไรยะเขาเรียกอะไรน้ำมันอะไรที่ ท, ที่มาทากรดน้ำมันกระป๋องตะก่อ น, นกรมกรมกาไก่อูน่นะนะทาะเอามาทาแล้วมันก็กี่วันมันก็ไม่แห้งมันไม่เหมือนน้ำมันที่มาทาทุกวันนี้นะมันก็โมโหแห้งไมแห้งก็ร้อยมันเข้าไปเลยรีบทําให้รีบ เย็บกดเรียวยแล้วเพ่นเลยไปตั้งหน้าตั้งตาเอามันอย่างเดียวนะที่นี่มันก็ไม่ได้เรื่องฟังสิคือความจริงก็คือมันคิดไปเป็นสัญญาอาดีตนะมันเสียดายนุ่นมันไม่ตั้งหน้าพอ่อนาในตรงนี้นะเวลาเรามาย้อนหลังที่ปีนาที่หลังนีมีแต่ความเสียดายครับสมาธิที่ ที่มันเสื่อมไปแล้วเสื่อมไปแล้วอยากก็ได้กลับขึ้นมาแต่ไม่มีอุบายไม่มีวิธีไม่รู้วิธีที่จะทําให้มันกลับคืนได้อย่างไรบางคืนไม่นอนตลอดลุ่มพอจิตพอพอจิตก้าวข้นก้าวขึ้นขยับใหญ่เลยไม่นอนไห ม, มันคืนไม่นอนกลัวจิตจะเสื่อมแล้วก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตานแหมมันโมโหจริงจิงนะเครียดแทนที่สุดเลยแต่มีดีอันหนึ่งที่มัน มันไม่ถอยนะถ้ามันถอยแล้วเป็นเสร็จเรนบอก้จะทำยังไงอย่างหนึ่งก็ว่าซึกไปะซะ ด, ดีกว่านี่นะเป็นเสร็จเลยนะแต่นี้มันไม่เมื่อเ mm. มือ่อทำอยากเท่าไรมันก็ไม่สมหบงังอยากเท่าไรก็ไม่สมบงังแล้วมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาอย่างนี้แล้วทอดตุาลาจรินั่นแ่นะบนเวลามันจะได้นะเนี่ยสําคัญที่ทอดตุลานี แล้วท้าสุรนเราก็ตั้งหน้าทำงานส่ทีนี่นี่พอท้าวสุรันแล้วมันก็ไม่ห่วงไม่ยายอดีตที่มันผ่านไปแล้วสมาธิจะกี่สมาธิมันมันเสื่อมก็เสื่อมไปสิทีนี่ไม่เอาละเพราะเพราะอยากก็อยากพอวังก็หวงังพอไม่เห็นเกิดผลประโยชน์อะไรทีนี้ไม่หวงังอจะเอาอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเอาได้เสียกออ็อยู่กับพุทโธจมไม่จมเจริญหรือเสื่อมอยู่กับพุทโธนี้เท่านั้นไม่เอาอะไรที่นี่ต่อไปนไไี่นี่สี่ทำมันจะได้ทีนี้หันหน้ามา กับพุทโธไม่สนใจก็อะไรเลยนี่มันก็เป็นปัจจุบันละสิอ่านี่ก็ตั้งได้แล้วนี่ขึ้นอันนี้อ๋อไม่สนใจนะเอ้าจะเสื่อมก็เสื่อมไปเถอะคือมันไม่เสียด้มันเคยเสียด้มาแล้วมันมันสร้างความทุกข์ให้แกเรามันไม่สมหวังอ้าวจะเสื่อมก็เสื่อมนี่ถึงขั้นนี้แล้วอ้าจะเสื่อมก็เสื่อมแต่พุทโธจะไม่ยอมถอยนะมันมีจะเอาแต่พุทโธนอกนั้นอะไรจะเสื่อมจะเจริญก็อ้าวไปเถอะว่าเพราะมันเคยมาพอยิ่งกว่าเคยแล้วต้องไปีกว่านี่ มันทนทุกทรมานอยู่ด้วยเรื่องเหล่านี้นะเพรามันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นมีแต่พุโทโธพุโทโธพุทโธไม่ถอยปัดกวาดลานวัดก็ไม่ให้มันเถอนเนี่ยมาเอาอะไรเอาเฉพาะพุโทโธไม่คิดว่าว่าดภาพหอสวรรคิม์มีมารลึกลสมาธิอะไรจะกลับคืนมาแล้วจะจะเสื่อมไปนี่ไม่เอาเลยทั้งนั้นแหะพอได้คิดหมดเต็มหัวใจแล้วเหล่านี้จะไม่เป็นอารมณ์ก็มัน อาจะพูดโท้กุทรวตรงนั้นเอาได้กับเสียยิ้วที่นี่จมก็ไม่จมจะเลยไมอยู่ที่นี่หละตากตงที่นี่มันก็เป็นปัจจุบันเลยสิพอเป็นปัจจุบันแล้วก็ตั้งขึ้นได้ตั้งขึ้นนดะอยู่ที่บัดนาที่นวนแลเ้วผมไม่ลืมนะวัดด่างวัดนาทินวนวัดยาคุธงเดีวก่อนที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาอยู่ตรงนั้นตอนนั้นท่านไปพระสุลง้งปูสุล้งปูสาวนี่ผมเข้าวัด ผมก็ไปื้อหน่ถ้ามาเข้าวัดนะคงจะกั๊กมหาดออกคงหิวอ่าเอาดีกว่าถึงถึงตอนที่มันจะมันถึงที่มันแล้วมันจะมันจะเสื่อมก็ปล่อยอยู่อันเดียวนี่อยู่กับผู้ทูเอย่างนี้ที่นี้มันไม่เสื่อมนะยิ่งปักเข้าปักเข้าแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปเสื่อมก็ตามได้ทําความเข้าใจกันแนลเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเถอะ แต่พู้โทรนี่จะไม่ถอยซัดไปนิดนึงนะครับโหเนี่ยที่ว่าทุกเนี่ยผมทุกมากจริงๆตอนสมาธิเสือเส่อมจิตเสื่อมแม่ไม่เคยเห็นอะไรที่นี่เลทุกจริงๆนะคือมันเสียดายเจ็บจิตใจมจริงจรึงร้อนเป็นปนเป็นใฟเนะพอกะมันแล้ว พ่อแม่ของอาจารย์มั่นจะกลับมาจากอุบ ล, ลไปละจับเหนือ<ะ><ะ>ระจากนาจีนวนเลยเดี๋ยวบึงเลยไปเลยเหนือ<ะ>ไปถึงวัดนาทีว่าวัดบ้านงแดงที่ให้ตะวีดูวันนั้นวัดบ้านฝังแดงที่ว่าเขา ม, มีกำแพงนันตะวี่เห็นไม่ใช่หรอ อหมือนนั่นบันมาจา ก, กเขาทํากำแพงแล้วแล้วก็ไปพักอยู่นั่นแล้วก็เดินออกไปไปถามไปทางพระรามพนมพระมาท่านก็จะผ่ามมานี่แล้วถามก็ได้ความว่าท่านมาแล้วมาถึงเมื่อวานนี้พากอยู่ที่วัดอมแก้วแล้วเราก็เตรียมไปหาตั้นเลย ในภาพนั้นจะสองสาพืนนึ่งเลก็นิี้มลท่านมาพภาที่นีๆเล่าเรื่องบัดอันนี้พอท่านใข่ไข่วัดใหญ่นี่มาภาพอยู่นึ่พอเดินมาได้ท่านก่็เลยมาด้วยไปนี่นิมนท์ท่านว่ามาพักที่บ้านฝั่งแดงนี่สบายนี่กหน่อยว่าดีว่าเหนียสงังทญ่าบ่ะไปแล้วสันสันเป็นว่ามาเนี่ยเดินไม่ํากันแล้วมา พังเรืหันก็หลายมือเขาอยางถึงได้เดินทางเรื่อยมามาพอสมควรแล้วเวียนเขาไปขายข้าวที่อำเภอนาแกก็เลยนิมนต์ท่านขึ้นเวียนนะหนึ่งท่านก็แกพอแล้วอายุเจ็ดสิบจดิบกว่าแล้วสองท่านเป็นไข้เดินก็ไม่ไหวยังทำไงก็ น, นิมนต์ท่านท่านยังไม่อยากขึ้นแล้วก็เอาจิ้งอาจังนที โอ้ก oh, the no so, ็พ่อแม่ครูอาจารย์ปุ้ยไอ้นี่ทำไงวะเมื่อขืนย่านบไรจริง่มันมันตกเป็นของขืนได้นี่วะคนไม่อยากขืนนะเพ่นก็คิดข้อหมายก็คือว่าเพ่นย่านลูกศิษบุกหาด้มาเอาอันเวล่าเพื่นรถย้อนความผ่านเนี่ไปอันนั้นุ้ยยังไงมันพูดมันติดข้อยึดมีอยู่มากเป็นหมายวางันี่ยเล่าบ้านบ้านเพื่อนอะไข้างหัเพ่นก็เลยขนก็แม่ครูอจารย์ไขยู่เนี่ยที่ไหนค้นไขก็ว่างที่เดีวพาชิม่าเอายังก็คนไขนี่เขาวางเน โอ้ยพ่แม่ผู้จันท์ไปได้ก็พอใจไปแล้วเดี๋ยวนี้วะออนี่มุ่นอมคุณก็เล่ขืนนะนะเังมาบ้านนมนก็เข่าหันเลยทีนี้ทีนี้เราก็ไม่เสื่อมเลยไปมุ่นก็ไม่เสื่อมนะไม่ได้ถอยดิพุโทโธนี่อพอเข้ามาบ้านานามนแล้วก็เอารที่นีเริ่มเอาขึ้นเมทีใหญ่เลยที่นี่วัดทันทันโอ้ย ยังไม่ลืมนะอันนี้มันเป็นสัจธรรมมันลืมไม่ได้ววหรอว่ะพอเวลาได้ที่แล้วมันเอากันยินยินจังเลยเพราะฉะนั้นผมถึงนั่งถามลูกหามคําได้ก็เพราะความเครียดแค้นมันนี่เองอะไม่ใช่อะไรนะพอได้ที่แล้วเอาเถอะตอนนี้วะถ้าเราถ้าถ้าถ้าเราไม่ตายเออถ้ากิเลสเออถ้าว่าสมาธินี้เสื่อมเราต้องตายเท่านั้นไม่ทราบมันจะตายแบบไหนนะมันเสร็จจังขนาด น, น, นั้นนะเครียดแค้นขนาดนั้น ยังไงก็จะเสื่อมไปไม่ได้คราวนี้ถ้าสมาธินี้เสื่อมครางนี้เราต้องตายมันไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยมันถึงจะฟัดกันใหญ่เลย น, นั่งตลอดลุ่มตลอดลุ่มไม่ไมทุกฟัดกันด้วยสติปัญญานี้เห็นความแปลกประหลาดความรู้จรย์ขึ้นทุกครั้งทุกครั้งของการนั่งตลอดลุ่มเราไม่เคยเห็นจิตแบบนั้นไม่เห็นซะแล้วสติปัญญาที่ยังไม่เคยหมุนตัวขนาดนั้นหมุนเห็น น้ั่นัหเป็นพื้นฐานอันหนึ่งของปัญญาทีนี้ไอ้เรื่องว่ามันเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมเหมือนที่งผิดพอมันบางเวลามันถึงขี้่มันมันรู้นะมันเหมือนกับเราเหมือนเราปีนเอาเอาไม้อะไรมาใส่เนี่ยไม้เราปีนขึ้นไปแล้วตกเอามาตกพอขึ้นไปใส่ตึ๊กหนีตรงนี้แล้วเออหนูพอมันบูมมาเหมือนกันคือกินที่เรามันมันปีนขึ้นไปแล้วตกปีนขึ้นไปแล้วตก พอมันถึงนนี่แล้วมันตึ๊กนี่แล้วเออที่นี้ไม่เสื่อมน่ะมันรู้นะมันรู้ชัดนั่นแหะที่นั่งตลอดดุ่มเลยมันเป็นฐานสําคัญมากทีเดียวถึงขั้นที่ว่าเอาหั่นเอแล้วที่นี้ไม่เสื่อมแล้ววันวัดใหญ่เลยเออืเป็นกําลังใจมากทีเดียวนะ ความเสื่อมของม ส, สามาธิข่าวนี้รู้สึกเป็นบทเรียนมากและเป็นบทที่เข็ดหลาบมากที่สุฟังเนหัวใจไม่ลืมและเครียดแช้นกันอย่างเต็มที่นั่นหลับมาดกันอย่างเต็มที่เลยแหมชีวิตมันจะเป็นจะตายมันไม่อะจิตก็สง่างามมาตั้งแต่บัต น, นั้นหน่อยเรื่อยสมาธินี้ดีมาตั้งแต่นู้นหน่อยเรื่อแล้วมันก็ลืมตัวพอจิตสงบแล้วมันสบายนี่มันก็เลยขี้เกียจมันจะคิดปัญญามันเลยสบายเลยลืมสติปัญญาที่เก่ง พี่จะ น, นานเวลาตลอดลูกตลอดหามบุกหามคําใช้ปัญญานั้นมันก็ลืมไปหมดเี้ยมันก็เอาห์กิน ส, สบายอมันมันสงบมันสงบจริงจริงมันแน่นตึงเป็นฐานสําคัญด้วยนะพูดไม่ถูกแต่รู้ได้ชัดว่าไม่เสื่อมบางอันเลยที่เหมือนจยางว่าที่มันมันตึกอย่างนี้เออเอาราธินีไม่เสื่อมแล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนี้เฮคิดมากนะ แท้จริงๆจนในทีวิตของผมเป็นนัก บ, บวชนี่มีคราวนี่ที่ผมร้อนที่สุดจิตเสื่อมเนี่ยสมาธิเสื่อมจากนั้นมาก็ไม่ปรากฏว่าเสื่อมนะแต่มันมันก็มันก็เป็นสมาธิอย่างนั้นแห ล, ละอืละเอียดขนาดไหนก็เป็นสมาธิจะเป็นอื่นไปไม่ได้เนี่ยเราก็ได้เป็นแล้วนี่เพราะนั้นถกล้าพูดเนี่ยสอนหมู่เพื่อนว่าละเอยียดขนาดไหนถ้าลงไม่ออกทางด้านปัญญาแล้วต้องเป็นสมาธิอย่างนั้นแหละถึงมันตายก็เป็นสมาธิอยู่นั้น ให้เป็นปัญญาให้เป็นนิมิุดพ้นเป็นไปไม่ได้ขอกมันเพราะเราได้ทำมัตสพอแล้วหนึ่งจิตเป็นสมาธิมาตั้งห้าปีวะหลนพ่อแม่วิจารณ์ไล่โ อ, อ้ท่านคงจะลำคามเลยไล่โ อ, อ้ยเนี่ยมันถึงได้ออกเวลาออกออกอย่างเต็มที่เลยใชยไหมโอ้ก็มันพร้อมทุกอย่างแล้วเวลาออกก็ถึงเลยนะดีผึงึง โอ้เวลาปัญญาแก้กิเลสเนี่ยมันไม่ได้เหมือนสมาธิมีนะมันเพลินคนละโลกคุณค่ามันต่างกันมากมายเพราะฉะนั้นมันถึงมาตามําหนิสมาที่โอ้ตายสมาธิมันนอนตายเฉย่ได้เรื่องกับเราแหละนานแต่ก่อนนนี่จะเป็ น, เ ป, นเป็นิพพานคือความรู้ที่เด่นอยู่อันเดียวนี้อันนี้จะเป็นนิพพานต้องเจาะอย่างนั้นเลยมันเราไม่เป๊ะมันก็เป็นสมาธิพอออกถึงขั้นปัญญาปัญญามันเหนือเนี่ย ความแยบคายเหนืออันนี้เหนือนี้มันก็มาแก้อันนี้สิที่นี่เออมันก็แก่เลยเพราะมันเหนือนี่ปัญญาคุณค่าของปัญญาเหนือสมาธิมันก็รู้เหตุรู้ผลมันก็เหนือสมาธิทุกอย่างทุกอย่างนี่เพราะงั้นมันถึงตัมนิสมาธิได้เพราะมันเหนือนี่ความรู้ความฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงดวงใจดวงนั้นมันก็ละเอียดเข้าไปเพราะการซักการฟอกด้วยปัญญามันเห็นชัดเห็นชัดมันเปลี่ยนจากสมาธินี้ไปนี่อ๋ออ๋อแล้วดิฉันก็ เราไม่คุ้หญ่คนพอดีอทุกอย่างมันเลยเถิดไปแล้วถ้าว่าสมาธิก็เลยเถิดนอนจมในสมาธิเสี้ยไม่สนใจจะออกเลยจะเอาสติผ่านในสมาธินะคือสิทีที่พอออกทางด้านปัญญาแล้วมันก็เป็นบ้าใ น, เ, นเรื่องปัญญานั่นเองแล้วทนตั้งเพราะอย่างารูพยาว่ามันหลงสังขารนี่เถียงท่านท่านก็ฟัดโอ้ยฟันมาอย่างใหญ่แลแต่คราวนี้นิ่งแล้ว คับจะถึงกันแล้วแล้วมันหนักแต่ตังการคิดการคามม้นไม่ยอมจะมาพักเอาเต็มเหนี่ยวเวลามันจะตายยินมันก็มาพักคือคุณค่าของปัญญากับสมาธิที่ซักพอกใจดงนี้เอาใหม่มันผิดกันมากนะ ภูมิของสมาธิเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นภูมิงปัญญาว่าเหนือกว่ามันเป็นยังไงมันไม่เห็นมันเห็นแต่สมาธิมันก็จะเอานี้ให้เป็นนิพพานโดยไม่ต้องขัดต้องเกาต้องซักต้องปอาต้องแก้ต้องไข้โดยวิธีการใดๆทางเรื่องทางด้านปัญญาเลยมันก็จะเอาให้เป็นสมาอะเป็นปเป็นนิพพานบริสุทธิ์ในนั่นเนี่ยมันไม่เปลี่ยนที่มันเป็นสมาธิอยู่งั่นนี่ที่มันได้ชัดขนาดนั้นน่ะเจ้าของเป็นเองแต่พอออกทางด้านปัญญาแล้ว โอ้หมันเป็นคนณะโลกเลยความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์ความละเอียดละออมทุกอย่างเหนือหมดเหนือสมาธิอันนี้นั่นแหละมันถึงจะตื่นตัวโอ้โหอย่างนี้เลย น, นี่ก็ไปใหญ่ไม่ยอมพักสมาธิเพราะเห็นว่าสมาธิมันนอนตายเฉยนั่นเอาเลยนะนกิะนก็ไปเป็นนันปัญญาเอาสุดเดียบแล้จะไม่กินไม่นอนหรือจะตายเพราะปัญญาพาเดินหลงปัญญาอีกแล้วนั่นแหะสมาหลงทั้งขนันเพราะปัญญาก็คือทั้งขันเอง มันมันสังขารเป็นมากหนึ่งนะไม่ใช่สังขารเป็นสมุทัทยคิดปุงต่างๆนี่ทางด้านคิเลนนี่สังขารเป็นสมุทัทยนี่คิดทางด้านปัญญานี่สังขารเป็นมาก น, นั่ น, นแต่ว่ามันเลยเผยไปแล้วสิงั้มันหลงสังขาร น, นึนกว่าท่านจะเอาให้ให้อยู่หมัดเลยหรือแต่ตอนนี้ก็เถียงกันบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารกันท่านาท่นฟาดใหญ่เลยนี่ก็หมอบนิ่ง นี้มันจะถูกอย่างท่านว่าแล้วว่าคราวนี้ไม่โผล่นางูเหาไม่ขึ้นแะครับที่พ่อถูกตะอยอยู่งูเหาะเนี่พอเวลามันไปสุดฉีดมันเนี่ย้อนมากราบท่านสนิทกราบอย่างสนิทในหัวใจนะอมันถึอองท่านทุกอย่างหมดนี่นะเราไม่มีอะไรถูกเลยแต่มันเป็นบ้าอะไรเถียงท่านเพราะว่าจะขอก็มีอนหนึ่งของเมันก็เหมือนกับปูเลยนะกระปูนี่มันมีอะไรมันมีกล้ามมันก็มันกยกกล้ามขึ้นรับ นี่แนหะละเราก็แบบเดียวนะไม่ใช่ว่าเราตั้งเป็นทิฏฐิมรณะจะถกจะเถียงกันอย่างนั้นนะมันไม่มีคือมันมีความจริงอันหนึ่งที่จะต่อสู้กันอยู่นั่นนะ <c oughs> นเหมือนกับปุกกระปูเลยมันมีกล้ามที่จะต่อสู้ร <c oughs> ะหว่างนี่เราก็เข้าใจว่าเรามีความจริงอันหนึ่งถึงขั้นปัญญาแล้วต้องปัญญาไม่นานแต่ไม่ไม่เหมือนสมาธินะสมาธินี่ตั้งห้าปี เพราะมันติดจมมันนอนใจนะั้นทางด้านปัญญานี้ไม่เหน่นานนะเรายังจำได้ว่าแปดเดือนเท่านั้ น, นพุ่งเลยแต่มันไปได้วยความหมุนติวติวตี้ติตงมันมนะันไม่ถอยไม่ยับไม่ยัง้งนจะเข้าสู่สมาธิพักอย่างนี้มันก็ยังไม่อยากเข้าเพรว่าสมาธินอนตายเฉยมาก แน่เวลาจะตายเหงนมั น, นก็เข้ามาพักสมาธิกันได้นันแหละเฮ้ยเวลามันผ่านไปแล้วมันต้งมาย้อนรู้นะทีนี้รู้มาหมดเป็น อ, อย่างอุทะจะมันรู้เองนะอ๋อคำว่าํารมะอุทะจาร์เป็นอย่างนี้เองอุทะจาร์ในสัญญองค์ูนอุทะจารความฟุ้งคือความเพลินและความเพียรนั่นเองจะเป็นอะไรไปมันไม่พอดีมันเพลินอย่างที่เราเพลินเห็นมันเห็นไม่ชัดอย่างนั้นมันก็เข้าใจลยทีอ๋อคำว่ า, าอุทะจาร์ันเป็นอย่างนี้เองอ มานะก็ถือผู้รู้นันถือผู้รู้ผู้ผ่องผู้ใสนัน่ฮ้ถือวิชา น, นวชาะวิชาก็คืออะไรนอุจาวิชารูปราคะรูปอุอารูปราคะมานะจาวิชาทั้งยบงบนมีห้านะวิชาก็คือนั่นแล้วก็หลง มันมาเป็นตัวของเราว่าเป็นเราเป็นของเรามานะถือใจพูดง่ายมานเก้ามานะเก้าจะเป็นอะไรไปเป็นอยู่ในภูมิเนี่คือตนต่ํากว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาหนึ่งตนเสมอเขาสําคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งสำคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาหนึ่งตนยิ่งกว่าเขาสําคัญว่าต่ํากว่าเขาหนึ่งสําคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาหนึ่งเก้ามานะเก้าจะเป็นอะไรไปก็เป็นอย่างนี้แหละ มันอยากเที่ยบอยากเคียงนะในขันนั้นมันอยากเที่ยบอยากเคียงมันมื่อวัมันมีเที่ยวกันนี่มันอยากกัดจ้ะแต่พอนั้นมันทังไปแล้วมันจะอยากอะไรมันก็รู้อีแล้วแน่จะเอะไรอยากเที่ยบอยากเคียงอะไรกับใครแน่เอออยากแข่งอะไรกับใค่จะหาอะไรมาเป็นคู่แข่งแน่มันนะ เราเอาใจกลางทา้นเบื้องบนดูปราคะดูปราค า, า, คานนในภาพปฏิบัตินี่ก็ก็ก็คือภาพของเราที่วาดไปมาแล้วคือมันมีความยินดีในภาพนั่นแหละคำราคาราคะไม่ได้เหมือนราคาของโลกทั่ ว, วไปนีนาแต่ศัพท์อันนี้มันมันใช้ได้หลายแข น, แนงไม่ได้เหมือนภาษาไทยเราภาษาไทยเรานีลเรายกตัวเช่นเช่นอย่าง รับทานฟังดิรับทานนี่มันไม่มีเพียงคําเดยอหนะาภาษาไทยแล้วนะรับทานกินอ่าสแตะฉันฉันฉเสวยนู่นเนะ่ะมันมีกี่นะจะทําอะไรให้มันเหมาะสมกับนั่นนะ่ะคำเยอท่าน่าจะเรียเร่ยงเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยเลี่ย ง, ยงพูดไปให้มันให้เป็นศัพท์ที่เหมาะสมนะ่ะให้เป็นศัพท์ที่ละเอียดอ่อนสวยงาม น, ะนั่นนะ่ะมันไม่มี ป้านั่นจริงว่าลาคาราคาไม่ใช่ราคะแบบความกำหนัดนั้ะอย่างที่โลกันนะอืหลักธรรมชาติจริงๆคือมีความยินดีอยู่กับอันนั้นอ่ะจิตมันติดอยู่กับอันนั้นยินดีอยู่กับอันนั้นแตไม่ได้เป็นแบบโลกนะอืดูราคะคือเพลินอยู่ในการพิจารณานั้นนัะนถ้าพิปรากฏขึ้นมาความเพลินความยินดีในเนี่ยถ้าว่าเป็นอันนั้นกับเรียกว่าคือตุ๊กตาของจิตขั้นนี้อะรูปราคะที่ปราปวดผ้าขึ้นมาเป็นเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของจิตอันนี้ ออกจากนั่นก็ไปถึงรูปพระราคะมันก็ภาพเดียวดับดับดั บ, ดบก็เพลินอยู่ตรงนั้นอีกนั่นมันไม่ใช่ราคะแบบโลกๆหรือมันราคะในในภูมิอันนี้ต่างหากคือในนามธรรมผู้ในไงานไม่ใช่หลักไม่ใช่ราคะในรูปธรรมมันราคะในนามธรรมาหากันเห็นเงื่นที่มันนุ่นชัดว่าผู้ที่เถื่อนเรียนที่เถื่อนจำไมเถื่อนมันเห็นตัวจริงเงื่อนสิตึงยอมรับพระพุทธเจ้าว่ะ มันเข้าใจเข้าใจเข้าใจอรูปราคะอรูปราคะนะมันเป็นขันเหมือนกันรู้มานะอุตจาวิชานะพราะออกอยางนี้ไปแล้วมันก็เห็นมีอะไรนี่ผ่านเพลิหมดไม่เห็นมีอะไรแล้ที่อะไรจะเป็นปัญหามันไม่มีนี่ฮะไ ม, ม่อะไรจะเป็นปัญหาในหัวใจเลย เราก็พูดแล้วพูดเราพูดให้หมู่เพื่อนฟังอยากให้รู้ให้เห็นแดนของความอัศจรรย์คืออะไรก็ ค, คือจิตที่มันหลุดพ้นจากสิ่งสกรปรกทั้งหลา ย, ยง่ายๆมันหลุดพ้นจากขี้โรกขี้โกรธขี้หลงขี้มันเต็มหัวใจนะ่ะมันแสนสบายนะ ยังไม่ตายมันคมันรู้จุดของรู้สิมันทำ ม, มันสิ้นรูสิหนะไม่จําเป็นอะไรจะต้องไปเสวยนิพพานเวลาตายก็แล้อ น, นิ่พานคืออะไรไม่ถามใครเล้ยจะไปถามอะไรขอให้กิดบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นแหละมันหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าปัญหาในแดนโลกฐานไม่มีเลยในกีด่ดวงนั้นวางนั้นเลยสิ้นปัญหาไม่ขาดไม่ไหมายว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนหที่ไหน อืพาดไปหาอะไรธรรมชาติหินประกาศความไม่สงสัยในตัวเองมันอยู่กับหัวใจนั่นแหล้วนั่นเราจะไปคาดที่ไหนอีกไปหางมอะไรเงาน่ะเอาตัวจริงนี่สิตัวจริงไม่สงสัยเจ้าของนั่นก็หมดอะไรหมดทันดทด้นั้นต้องปลูกคาดีมอย่างเี้ย ก็แปลกอยนัน่นถึงท่านกายระทาได้เร็วนะยังไม่ถึงปีเลยถึงกายบัฏานั่นแต่ก็แปลกด้วยท่านท่านครับก็จะเป็นนิสัยอะไรก็พูดเราคิดว่าท่านคงเป็นนิสัยอย่างอะไรภาษาอิบบท ที่รจักบุญจักคุณอะไรธรรมดาท่านก็แก่พรรษากว่าผมเท่าไหร่นะหกพษาท่านยังกล้าพูดต่อต่อหน้าเราด้วยเาเลยนีผมจนได้ได้ห้ามเลยเขาวย่าพูดกันสีโถวเราเคารพกราบไหว้ท่านอยู่ตลอดเวลานี่หนาะหลวงปู่คำดีนี่หนาะแล้วกราบวเคารพท่านอยู่ตลอดเวลาญาติได้พูดยนี้ว่าก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นนี่ว่า ส่วนความจริงก็หาเป็นอย่างที่ว่ากันเราก็ยอมรับแต่ก็เราเราไม่ได้ปัดจากการเคารพท่านนี่นะเราเคารพท่านอยู่เ ล, เลยนะ mm hmm. ลงเรบินที่จังหวัดเลยนั่นก่อนเรบินไปจังหวัดเลยท่านมาส่งแล้วได้ไปชมมาส่งท่านเวลาไ ป, ไปพาตำบุกหมากเรื่ออะไรนะกลับมาก็มาเรบินแล้วก็ไปจังหวัดเลย ลงป้ายลงอรือบินแล้วก็ไปวัดท่านจะส่งท่านถึงวัดเรียบร้อยหมดแล้วเวลาต้นวิชาจะกราบนมมสการลาท่านมาวัดเรานี่ถ <c oughs> ้า่างพูดผมก็โอ้สะดุดใจเหมือนกันนะเพราะเราไม่เดือยยิงจังหองนี่นะอืมเราไม่ได้สําคัญว่าเราเป็นอะไรกับท่านว่าดีกว่าท่านอะไรอย่างนี้เราไม่เคยเราเคารพท่านอยู่ตลอดเวลา นึ่เวลาท่านสั่งด้วยช้านเออไปนี่ขอฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวด้วยนะว้าเนี่นะท่านพูดชา้าช้าท่านมหาบัวนั้นเป็นอาจารย์นุงอัตมานะว้าเนี่ย น, นี่ตรงเนี้ยเพมันเจ็บมากผมเจ็บมากโอ้ ย, อยว้ากันทีเลยก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นอยูว่วะ ท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอัตมานนะาว่าคือท่านพูดท่านพูดหนึ่งเป็นความถ่อมตน